โยมวิวรรณันตุสาภาโรภวินาสตุมาเตภาวัวันตาไรโยสุขีทิทายุโกภาวาภิวานทานาสิลีสานิ จางวันาป่าใจ ย, ยินเาจันตาโรธาหมาวันทันทีอายุวันน้สุขังปาลายันจะโคดกินนาดินาสังกรรมหิสุปฏิทิตาม ดิขารตังหิตายาชาทานะโสอุปการปติทธัมโมจอย่างนิดัสิโตเปตานาปูชาจักกตาอุลาลามาลานาภิโคนามโนปดินัง ตุมเฮหิปุญญาปสุตังอนาปการเทียุวัฏทกาทนาวัฏิริวัฏทกายาสวัฏทกาภาวัฏทกาวันณาวัฏทกาสุขวัฏทกาโหตุสาภาทาทุก ภาพยาเวลาโสกาสาตุจุปาทาวาอเนกะอันตรายาปิวินาสัสตุจเตสัสาสิยาสิทธิธานังโสติภาขยังสุขังภาลังสิริอายุจวัฏ โนจโ่โพคางวุฒิจายสวัสตวัต ส, สาจายุยจชิวสิทธิภาวันตุเตภาวัตุสา พ, พาังราคันตุสาพาเทวตาสาพาพปุ์ นูพาเวนัสธาสดทีภาวันตุเตมพาวตุซาพามางขาลาราคันตุูซาบวาตาสา พ, พาธรรมานูพาเวนัสธาสดธิภาวัน ตูเตมภวตุลสาภามาณะลั ง, าลางราคันตุลัพท์ว่าตาสาภาสังคานุภาเวนสะทาโสถิภาวันตุเต